หลังจากที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในเรื่องของเปรตติวิสัยเหล่านี้แล้วนะว่าผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตนี้ก็เนื่องจากประมาทในบุญใช่ไหมก็คือพากันไปทําบาปทำอกุศลก็เลยทําให้เข้าถึงความเป็นเป็นเปรตเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะยกนี่ที่กันตสูตรเพื่อแสดงสมบัติของชนผู้ทําบุญเอาไว้ด้วยสูตรนี้นะสูตรนี้เป็นสูตรของคนทําบุญทั้งหลายเนี่ยนะว่า ก่อนที่พระองค์จะตรัสสูตรนี้มีเรื่องอยู่ว่าในกรุงสาวัตถีกุดุมพีคือคนมีฐานะมั่งคั่งคนหนึ่งเนี่ยนะมีทรัพย์มากมีโภคะมากแต่เขาเป็นคนมีศรัทธาภาสาทรมีใจปราศจากมนทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนเหมื อ, อนั้นคนใจบุญสุนทานนะนะวันหนึ่งเขาก็ถวายทานแก่พระภิกษสุงสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสมัยนั้นพระราชามีพระราชประสงค์ทรัพย์จึงส่งส่งราชบุรุษคนหนึ่งไปที่สำนักของเขา ด้วยพระราชดำรัสสั่งว่าพะนายเจ้าจงไปนํากุดุมพีชื่อนี้มาราชบุรุษผู้นั้นก็ไปพูดกับกุดุมพีคนนั้นว่าท่านครห บ, บดีพระราชาขอเชิญเหมือนนท่านกุดุมพีก็มีใจประกอบด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นกําลังถวายอาหารเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจึงกล่าวว่าไปก่อนเถิดท่านราชบุรุษข้าพระเจ้าจะมานาทีหลังข้าพระเจ้าจะฝังขุมทรัพย์ในขณะนี้เสียก่อนเหมงอนกัน ไปก่อนเถิดเดี๋ยวขอฝังซับก่อนนะจา๊าบไปเหมนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยเสร็จเนี่ยนะทรงชักพระหัตถ์ออกจากบาทแล้วเพื่อจะทรงแสดงบุญยสัมปทาโดนิธิโดยประมัดเนี่ยนะผมก็เลยตรัสว่านิทิงนิเทติปุริโสคัมพีโรอุตการเดเกเนี่นะซึ่งมีอธิบายว่าบุรุษย่อมฝังขุมซัพ์ไว้ในน้ําลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จําเป็นเกิดขึ้น ทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยนะ <Italian language. S 1> ก็เพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเนี่ยนะคือถ้ากิจเกิดขึ้นอ่ะก็ใช้ทรับเนี่ยนะเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างนนะในคราวทุพพิขภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกนี้ก็เพื่อประโยชน์นี้นี่แหละเนี่ยนะว่าไปก็คือคนที่ฝากธนาคารทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์เราเนี่ยนะ ขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสําเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุกเมื่อทีเดียวไม่คือไม่เป็นอย่างที่เขาคิดทั้งหมดหรอกเพราะขุมทรัพย์เคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างความจําของเขาคลาดเคลื่อนเสียบ้างนาคทั้งหลายลักไปเสียบ้างยักษ์ทั้งหลายลักไปเสียบ้างผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้าง ในเวลาที่เขาสิ้นบุญคุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นก็ย่อมศูนย์ไปทั้งหมดบุญก็อันตรธานเลยนะคุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วด้วยทานด้วยศีลสัญญะเนี่ยนะนะความสำรวมนะหมายถึงการเจริญสมาธิเป็นต้นธรรมคือความฝึกตนเนี่ยนะนะในใจดีก็ดี ในสง์ก็ดีในบุคคลก็ดีในแขกก็ดีในมารดาก็ดีในบิดาก็ดีในพี่ชายก็ดีเพราะฉะนั้นก็ให้ทานนะรักษาศีลเป็นต้นถ้าทานก็ทําบุญในพระเจดีในสงในบุคคลในแขกมารดาบิดาเป็นต้นพี่ชายนีก็สามารถทําบุญได้หมดเลยขมทรัพน์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆไม่อาจผจนได้เป็นของติดตามตนไปได้ บรรดาโพคาทั้งหลายที่เขาจําต้องละไปเขาก็พาข่มทรัพย์คือบุญนั้นไปคือปกติอย่างไรก็ต้องจากทรัพย์อยู่แล้วแต่ถ้าจากตายข่มทรัพย์คือบุญที่ทําไว้ข่มทรัพย์นั้นก็จักติดตามตัวไปถึงยังไงก็ต้องจากทรัพย์ที่มีทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยนะไม่จากเป็นก็จากตายเหมือนกันข่มทรัพย์คือบุญไม่สาธารณะแก่ชนเหล่าอื่นโจรก็ลักไต่ไม่ได้บุญยาณิธิคือการฝังไว้เนี่ยนะ อันใดติดตามตนไปได้ปราดพึงทำบุญนิที่อันนั้นบุญนันนิธีนั้นคือการฝังบุญเอาไว้นี่ยอนวยผลที่น่าปราถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ปราถนานักซึ่งอิตผลคือผลที่น่าปราถนาใดๆอิตผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญยะนิธีนี้ความมีวันงาม ความมีเสียงไพเราะความมีสวดทรงดีความมีรูปสวยความเป็นยิ่งใหญ่นะความมีบริวารอิทธิพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญะณิธินี้ความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศความเป็นใหญ่คือพระเจ้าจักรพรรดิุขของพระเจ้าจักรพรรดิ ท, ที่น่ารักความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพณิกยทั้งหลาย อิตผลทั้งหมดอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้เนี่ยนะสมบัติของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกและสมบัติคือพระนิพพานอันใดอิตผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้ความที่บุคคลอาศัยสัมปทาคุณเครื่องถึงพร้อมคือมิตรแล้วถ้าประกอบโดยอุบายที่ชอบเป็นผู้ชนานาญในวิชาและวิมุต อิทผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญานิธินี้เนี่ยนะคือบุญญานิธิเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้อาศัยกาลยานามิตรแล้วก็ประกอบในอุบายที่ชอบเนี่ยนะก็สามารถบรรลุมรรคผลปฏิสัมพิธาวิโมกสาวกบา ร, รมีปัจเจกโพธิญาหรือพุทธ ภ, ภูมิอันใดอิตธผลคือผลที่น่าปรารถนาทั้งหมดอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญาิธินี้บุญญสัมปทา นนะคุณเครื่องถึงพร้อมคือบุญนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้แลนะหลังจากจบเทสนาอุบาสกนั้นก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพันพร้อมด้วยชนเป็นอันมากเขาก็เลยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลกลับทูลความข้อนั้น พระราชาก็ทรงยินดีอย่างเลือเกินทรงชมว่าดีจริงเครือาบดีดีจริงแลเครือาบดีเหมงอนสาธุสาธุาะนะท่านฝังขุมทรัพย์ที่แม้เราก็นำไปไม่ได้ได้ทรงทำการบูชาเป็นอย่างมากแก่อุบาสกผู้นั้นแหลเห น, นพระราชาอย่างชื่นชมเลยอุบาสกคนนี้ฉลาดมากอันนี้ก็ข้อความในนิที่การตสูตร น, นยก็จบเพียงเท่านี้